การรัฐนาหลวงพี่เจ้าค่ะแว่า่มีปัญหาเสร็จไม่กินเจริญพรตอนเช้านะนั่งตามสบายวันนี้วันที่สองใช่ไหมกับการเรียนรู้สำหรับคนมาใหม่เนาะเป็นยังไงวันแรกรู้สึกเป็นยังไงบ้าง ง, งงไหมอืมทำไมแตกต่างเหมือนที่เราเคยทำมาทำไมไม่เหมือนที่เคยที่เราทำมาจะชอบทำเนาะตื่นแล้วหรือยังตื่นแล้วหรือยังอืมตอนแรกก็ยังจะตอบมาเต็มปากหรอกเนาะอืมเพราะยังเขาเรียกว่ามันเป็นช่วงปรับกระบวนการอยู่ง ง, งงงอยู่ว่าจะทำยังไงเอ๊ะทำไมถึงทาแบบนี้เอ๊ะทำไมไม่เหมือนที่เราเรียนมาทำไมไม่เหมือนที่เราเคยเจอมาอืม นั่นแหละเนาะก็วันนี้ก็เรียกว่าเมื่อวานนี้พระอาจารย์พาช่วงค่าพระอาจารย์พาไปชี้สังเกตเรื่องอะไรนะท่านบอกว่ากรรมฐานกรรมฐานประกอบอะไรนะกรรมกรรมฐานให้ทํากี่บาละการหลักการทํากรรมฐานมีกี่บาลานะ สามวาระคืออะไรนะใจอยู่ที่ฐานเป็นยังไงใช่ไหมแล้วก็ใจออกจากฐานเป็นยังไงแล้วก็เมื่อมันกลับมาอยู่ที่ฐานเป็นยังไงเนาะสามวาระแล้วก็กรรมฐานประกอบจะกี่ส่วนนะคือกลับใจใช่หรือไม่นั่นแหละหลักการทำกรรมฐานมีแค่เนี่ยถ้าเราจับหลักได้เราจะทำอะไรก็เป็นกรรมฐานได้หมด ใช่หรือไม่ทำโน้นํำนี่ก็ใส่ความตั้งใจเข้าไปก็เป็นกรรมฐานได้แล้วก็สังเกตสามวันละออกไปเป็นยังไงกลับมาได้เป็นยังไงอยู่กับฐานเป็นยังไงเนี่ยเอาแค่นั้นแต่โดยส่วนมากจะเป็นแบบนี้ไหมเมื่อทำกรรมฐานปั๊บจ ะ, จ ะ, จ, ะจะมุ่งหวังอะไรอยู่กับฐานเป็นยังไงจะอยู่เอาภาวะที่มันอยู่กับฐานใช่หรือไม่พยายามบังคับพยายามกดขม่มพยายามแทรกแซงเนาะนั่นแหละ มันจึงไม่ก้าวหน้าสักทีเพราะว่าเราไม่เคยสังเกตเลยเรามีแต่สร้างมีแต่สร้างมีแต่บังคับมีแต่คำกับมันใช่หรือไม่เนี่ยคือตัวปัญหาแต่ถ้าเราได้เข้าใจหลักการปรั๊บนั่นแหละบทเริ่มต้นมันก็จะเริ่มปรากฏทีนี้พอเราทํากรรมาฐานเป็นแล้วพระอาจารย์ให้ไปสังเกตเรื่องนัเรื่องอะไ ร, ะไรต่อรู้ไหม เหมือนยนมันได้ยินเปรี้ยวอยู่นะเหมือนให้ไปดูอะไรต่อความแตกต่างอะไรอะความแตกต่างนั่นอะไรอืมอั น, น, อ, น, นอันนี้แหละคือปัญหาเนาะที่แบบพอเรารู้กรรมฐานแล้วแล้วต่อไปล่ะเราจะไปมุ่งตรงไหนจะไปเข้าสู่จุดไหนทำให้เพื่ออะไรประมาณนั้น บทเริ่มต้นเนาะในการเรียนรู้ในการปฏิบัติในพุทธศาสนาก็คือถ้าเอาเป็นภาษาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิทิฏฐิสัมมาทิฏฐิที่เขาแปลมาก็คือความเห็นชอบเห็นชอบเห็นเรื่องไหนอะ่ะอันนี้ก็ปัญหาอีกเมือม่อเมื่อเมื่อแปลแบบนี้แล้วเห็นชอบเห็นในเรื่องไหน ถ้าเป็นเล่มอื่นนะถ้าเป็นเล่มอื่นหรือไม่แต่ Google หรือไม่แต่ที่อื่นแปลก็ก็ียกว่าเห็นชอบเห็นในสิ่งที่ดีเห็นในด้านดีแล้วเป็นยังไงอืมสมาธิมันก็ยังแบบไม่เข้าทางอยู่ใช่หรือไม่แต่ถ้าจริงๆแล้วสมาธิก็คือ <S 1> <S 1> <c ue> เห็นในเรื่องทุกข์ <c> um> ความรู้อันไหนเป็นความรู้ในเรื่องทุก <c> um> ความรู้อันไหนเป็นความรู้ให้เกิดทุกความรู้อันไหนเป็นความรู้ให้การดับ แห่งทุกความรู้อันไหนเป็นความรู้ในการดำเนินในถึงที่สุดแห่งทุกก็คือสัมมาทิฏฐิก็เรียนสิ่งนั้นแล้ว ก, ก็ศึกษาสิ่งนั้นก็รู้สิ่งนั้นเห็นไหมว่ามันจ่อจงสัมมาทิฏฐิคือการ จ, จ่อจมมาเรื่องทุกอย่างอย่างเดียวไม่เขาเรียกว่าไม่ให้หลุดจากทางนั้นศึกษาเขาเรื่องเนี้ยมาดูเรื่องเนี้ยคือเรื่องทุกเป็นหลักเนี่ยจึงบอกว่าพระพุทธเจ้าเรียกว่าจึงบอกว่ามันเป็นเส้น เป็นทางสายเองเนาะมุ่งสู่เรื่องนี้เรื่องเดียวไม่ใช่เรื่องอื่นไม่ใช่นรกสวรรค์ไม่ใช่เทวดาไม่ใช่อะไรต่างๆไม่ใช่ความศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่อภินิหารแต่มันคือเรื่องทุกเนาะทีนี้พอมาพอเราปฏิบัติพอเรากรรมาถานแล้วเขาเรียกว่าเมื่อมุ่งสู่เรื่องทุกมาเลยรู้เรื่องทุกทุกต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกใช่หรือไม่เพราะว่าในอเยสสี อะไรมาก่อนทุก็มาก่อนเนาะในสัมมาทิฏฐิก็จะบอกว่าให้เรียนรู้เรื่องทุกก่อนก็อันเดียวกันทีนี้แล้วทุกคืออะไรละ่ะเมื่อเราเรามื่อตอนเช้าเราก็สวดแล้วใช่ไหมได้สวดไหมความเกิดความแก่ความตายก็เป็นทุกเนาะหรือแม้แต่ความโศกเศร้าเสียใจความไม่สบายกายไม่สบายใจสิ่งเหล่านี้ก็เป็น ทุกแต่ถามว่าราเ ร, ารู้จักมันดีไหม น, ะน่ะเนาะก็ยังไม่เท่าไหร่ทุกมันมีอยู่สามอย่างเนาะทุกอันแรกทุกอันดับแรกคือทุกกายทุกกายถามว่าชีวิตเราเนี่ยทุกกายเยอะไหมลอง ด, ดูดีมีเยอะไหมเราอาจเราอาจเราอาจจะดูสิ่งแรกว่าแต่ในบทสวดหรือในหลายๆที่จะบอกว่า ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันก็เป็นเพราะว่ามันมันก็เป็นทุกข์ใช่หรือไม่เพราะว่ากายาแสดงออกมาในรูปแบบของการเกิดการแก่การเจ็ บ, ก า, จบการตายมันก็เป็นทุกข์แต่ถามว่าถ้ามองแบบเนี้ยมันเห็นก็เรียกว่ามันต้องใช้เวลาเนื่องนานไหมกว่าจะเจ็บกว่าจะแกะ่กว่าจะตายเนาะมันเนื่อนานมันเนื่นช้ากว่าจะรู้ตรงนั้น แต่พอเราดูดีๆเนาะ <c oughs> กายนี้แล้วมันเป็นทุกข์ได้อย่า ง, างไงอ่ะนี่แหละคือปัญหาที่เราไม่เคยมาสังเกตเนาะแต่เดี๋ยวใค่ว่ากันอันแรกทุกข์กายก่อนอันนี้สองทุกข์ใจใช่หรือไม่คนเรามันมีทุกข์อยู่สองอย่างที่เราเกี่ยวข้องทุกวันนี้ทุกข์กายกับทุกข์ใจคิดว่าทุกข์ไหนดับยากที่สุดเราตอบได้เลยว่า ทุกใจเพราะว่าโอ้เต็มไปหมดเลยใช่หรือไม่เดี๋ยวมันก็มาอ่าลมเข้ามาแล้วปั๊บก็เรียบร้อยมันก็เป็นทุกมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาเราก็โศกเศร้าเสียใจเราก็เป็นทุกใช่หรือไม่ดับยากหรือเกินไม่รู้วิธีดับอันนี้คือทุกใจเนาะแต่มันมีทุกที่สมที่ซ้อนอยู่ในทังสองอันนี้แหละเป็นทุกที่ที่เราต้องเรียนรู้ที่เราต้องไปเข้าที่เราต้องไปเข้าใจมันหรือไม่ทุกอะไร ทุกยศเนาะทุกอยศาสตร์หรือมันเป็นทุกข์ที่โดนครอบด้วยกฎพระไตรลักษณ์เนาะมันมันมีความเป็นเป็นทุกข์แล้วแบบไหนล่ะไอ้ทุกข์ตัวเนี้ยแล้วระแบบไหนล่ะที่เราไม่รู้จักมันเน่ยก็ลองดูสิลองมาย้อนดูเรื่องกายอ ม, มาย้อนดูเรื่องกายเวลาเรานั่งปฏิบัติไปเราทําอะไรอยู่เรานั่งยกมือสร้างจังหวะใช่หรือไม่เราเดินไปเดินมาใช่หรือไม่ อันนี้เป็นงานใช่หรนอไม่เราตั้งใจทําสิ่งนี้ไหมแต่มีไหมบางทีบางจงังหวะขามันขยับมีไหมบางทีบางจงังหวะมันหายใจมีไหมบางทีบางจงังหวะมันกระพริบตาเองมีไหมอันนี้เขาเรียกว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะทําไมถึงต้องหายใจเองทําไมถึงต้องขยับเปลี่ยนขาสักนิดนึงทาไมต้องกระพริบตา เราลองดูดีๆเราทํากีรยาตอนอยู่ใช่หรือไม่เราเราพยายามบังคับพยายามตั้งใจอยู่กับสิ่งนี้แต่บางสิ่งอาไว้ไว้อื่นก็แสดงตัวเคลื่อนไหวออกมาคอมมันเองเนาะเป็นการเป็นการขยับเป็นการหายใจเป็นการกืนน้ําลายเป็นการกระพริบตาก็แล้วแต่นั่นแสดงว่าบางตัวก็แสดงตัวออกออกไปใ น, ในรูปแบบของมันตามธรรมชาติของมันเนาะอันนี้มันคือ เขาเรียกว่ามันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันก็ต้องทํางานของมันแปลเปลี่ยนไปถ้าเราเรามองดูดีเราจะเห็นว่าเอ้ยบางสิ่งบางอย่างก็ทํางานของมันเองดีกว่าเราไม่ได้สั่งบางอาการก็แสดงตัวออกมาเราอยู่กับสิ่งนี้เราเราไม่ได้กําหนดลมหายใจมันก็หายใจเราอยู่กับสิ่งนี้บางทีมันก็กระพริบตาเองเราจะให้มันครั้ง เราจะลืมตาค้างไว้มันก็ทําไม่ได้นี่หว่าลืมตาค้างไว้มันก็เป็นทุกเออมันต้องกระพริบตากระพริบตาหลับไป น, นานก็ทําไม่ได้มันก็ต้องลืมตาเนี่ยมันจะเห็นความเป็นทุกข์ของกายเนาะมันจะเห็นความเป็นทุกข์ของกายว่าเอ้ยแท้จริงแล้วกายเนี่ยเป็นทุกข์มากเลยทุกข์ขนาดไหนล่ะลองดูสิลองหายใจเข้าค้างไว้ไม่ต้องหายใจออก ทุกไหมหายใจเข้าหายใจออกทุกไหมต้องทำยังไงฮะต้องทำยังไงหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกต้องทำยังไงก็ต้องปล่อยออกปออกข้างไว้ <c oughs> เป็นยังไงมันอึดอัดไหมต้องทำยังไงอีก ก็ต้องหายใจเข้าเนาะนั่นแหละมันเรียกว่ามันเป็นทุกข์เนาะมันเป็นทุกข์มันถึงต้องหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกอยู่แบบนี้อันนี้แค่เรื่องหายใจแล้วลองดูสิกายเนี่ยมีอาการแบบนี้เยอะไหมที่มันต้องแปลเปลี่ยนไปที่มันต้องขยับมีใครยืนตลอดชีวิตไหมยืนแล้วก็ต้องนั่งแล้วมีใครนั่งตลอดชีวิตไหมนั่งก็ต้องกลับมายืนใหม่ใช่หรือไม่เป็นอยู่แบบนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอันนี้คือความเป็นทุกข์ ของกายเนาะเป็นทุกข์ที่โดยคอบโดยกฎปไตย์แล้วอันนี้คือว่าเป็นทุกข์ที่แบบที่เราต้องมาสังเกตต้องมาเห็นมันถ้ามารู้จักตรงนี้นะบอกเลยว่าถ้ามารู้จักตรงเนี้ยว่าโอ้กายนี้ก็เป็นก้อนทุกข์เป็นทุกข์อย่างแท้จริงนี่หว่าไอ้ที่เราเคลื่อนไหวไอ้ที่เราขยับตัวไอ้ที่เราทํา น, น้นทํานี่ที่แท้แล้วมันเป็นทุกข์มันจึงต้องขยับมันจึงต้องเปลี่ยนท่าทาง มันจึงต้องทําอะไรบางอย่างมัอนจึงต้องมีอาการอะไรบางอย่างอยู่ไปอยู่มานา น, านสักเจ็ดมงจะเกิดอะไรขึ้นจะเริ่มอะไรแล้วเริ่มหิวความหิวเป็นทุกข์ไหมเนะี่ยเป็นไหมต้องมาทํำยังไงต่อเมื่อหิวแล้วก็ต้องไปกินมีใครกินข้าวเพียงเดียวแล้วอิ่มตลอดชีวิตไหมมีไหมไม่มีสักห้าโมงเช้าเที่ยงก็เริ่มหิวใหม่ก็ต้องไป กินใหม่บำบัดทุกใหม่เนี่ยมันเห็นว่าโอ้ความหิวความกระหายเหล่านี้ยมันก็เป็นทุกข์อนี่เราต้องเกี่ยวข้องกับมันตลอดใช่หรือไม่ตลอดวันเล ย, เ ด, ย เ, นนเดี๋ยวก็เป็นนน่นเดี๋ยวก็เป็นนี่กายมีทุกข์เยอะแยะมากมายให้จัดการเลยใช่หรือไม่ถ้าบอกบอกเลยนะถ้าเรารู้แบบแบบเนี้ยชีวิตมันจะ ง, ง่ายขึ้นเมื่อมารู้ว่ากายเป็นก้อนทุกข์ชีวิตก็จะบำเพออยู่บำ บ, บัดทุกข์บำบัดทุกข์กาย บำบัดทุกข์กายตัวเองเลหละต้องทั้โน้นทํานี้ให้มันต้องพามันไปต้องต้องช่วยเหลือมันในการบําบัดทุกข์เป็นครั้งเป็นคราวไปถ้าเรารู้แค่เนี้ชีวิตจะบอกว่าท่านอย่างนั้นแค่นี้มันก็เยอะพอแล้วทุกทุกข์กายนี้ก็เยอะพอแล้วแต่ละวันแต่ละวันมันเขาเรียกว่ามันจึงอมันจะเป็นต้องไปเอาทุกคนอื่นเข้ามาใส่ตัวเนาะแค่นี้ก็เยอะแล้ว ทำไมต้องไปเอาทุกไอ้อื่นนอกตัวมาใส่ตัวล่ะแต่โดยปกติเราเป็นแบบนั้นไหมเป็นแบบนี้ไหมไม่ใช่หรือไม่กลับไปเอาสิ่งต่างๆรอบตัวเอามาใส่ตัวเป็นทุกซ้อนไปอีกซ้ำไปอีกทุกกายมันก็เยอะอยู่แล้วแต่เรากลับไม่เห็นเนาะเรากลับไม่รู้จักมันแต่เรากลับไปเอาทุกภายนอกทุกจากคนอื่นจากสิ่งอื่นเข้ามาใส่ตัวนั่นแหละคือปัญหาแต่ถ้าเรามาสังเกตตรงนี้ปั๊บ มันจะรู้ว่าเออเท่านี้ก็เยอะแล้วเท่านี้ก็ต้องทำทั้งวันแล้วในการบําบัดทุกเนอะให้กับกายนี้ถามว่ากายนี้มันจะไม่ทุกข์อีกตอนไหนเนาะตายแล้วเท่านั้นถึงจะยุติหน้าที่ตรงตรงนั้นไปทีนี้แล้วทุกใจเนาะเมื่อกี้พูดถึงทุกกายแล้วดิทุกใจล่ะทุกใจเราก็บอกว่ามันเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยใช่หรือไม่แล้วก็ดับยากอีก เอามาดูสาเหตุดีๆสิว่าทำไมมันถึงเป็นทุกข์ใจอืมพอเราลองดีๆแล้วอาการที่เป็นทุกข์ใจเพราะอะไรอืออาการที่มันไปพาไปเป็นทุกข์ใจเพราะอะไรเสียงเขาด่าเราเราเป็นทุกข์ไห ม, มเสียงที่เขาพูดมากระทบหูเราเราเป็นทุกข์ไหมสมมุติเนาะคำพูดเดียวกันแต่คนหนึ่ง เรารู้จักเขาดีอีกคนหนึ่งเราไม่รู้จักเขาเป็นคำดา่าใครด่าเราแล้วเราจะทุกข์กว่ากันคนที่รู้จักหรือคนที่ไม่รู้จักทำไมเป็นเป็นแบบนั้นล่ะทำไมถึงไอ้คนที่รู้จักเราแล้มันดาเราคาเดียวเราถึงเจ็บปวดมากเหลือเกินเ พ, ะะเพราะอะไรเพราะอะไรอ้วคนที่เรารู้จักเห็นไหมมันมันมีอะไรเป็นสาเหตุล่ะคนที่เรารู้จัก กับคนที่เราไม่รู้จักอืมนั่นแหละคือสาเหตุว่าอันเนี้แหละที่เราไม่เข้าใจเนาะลองสังเกตกดูดีๆเนาะคนใกล้เคียงเราคำพูดเดียวกันกับอีกคนทั่วไปทําไมถึงมันถึงมันถึงมีน้ําหนักแตกต่างกันทําไมเสิ่งที่เขาพูดมามันถึงคนหนึ่ ง, ง, งพูดมาก็ไม่รู้สึกอะไรแต่คนนึงพูดมากับแทงใจดำมีไหม ừ, นั่นแหละ เพราะว่ามันมีเราในสิ่งเหล่านั้นมีเรามีเป็นของเราใช่หรือไม่ในสิ่งเหล่านั้นน่ะมันจึงเป็นทุกข์อันนี้คือสาเหตุสาเหตุของพาใจเป็นทุกข์แล้วด้วนี้ถ้ารู้แบบนี้แล้วจะทำยังไงล่ะจะทำยังไงดีเมื่อรู้ว่ามันมีเราในสิ่งเหล่านั้นพระพุทธเจ้าบอกว่ามันมีเราในสามอย่างเนี่ยพาไปเป็นทุกข์ทั้งหมดเลยมีสิ่งไหนสิ่งหนึ่งก็เป็นทุกข์อันแรกก็คือ ร่างกายนี้ว่าเป็นเราว่าเป็นของเราอันนี้ก็เป็นทุกอันที่สองสิ่งของรวมถึงคนด้วยว่าเป็นของเราก็เป็นทุกอันที่สามอัตราตัวตนตำแหน่งหน้าที่การงานไอ้ตัวในตัวร้ายเลยถามว่าสิ่งเหล่านี้มันมีตัวตนไหมอัตราตัวตนมันมีมันมีมันมีรูปร่างตัวตนไหมตำแหน่งมีรูปร่างไหม เนาะมันไอตัวเนี้ยตัวร้ายเลยเนาะมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่มีอิทธิพลมากเชื่อหรือไม่ลองดูสิมีใครมาลดตำแหน่งพอใจไหมพ อ, พอพอใจไหมโดนลดขั้นถ้าเราถ้าเรามีตำแหน่งมีมีหน้าที่มีการงานเนาะเรากลับไม่พอใจใช่หรือไม่มีบางคนพูดลอยมาประมาณว่าพูดเกี่ยวกับเรา ที่พัดเราจะพอใจกับสิ่งกับเสียงนั้นอัน น, นั้นไหมเนาะอันนี้แหละคือปัญหาที่เราไม่เข้าใจเนาะถ้ามันมีเราใน3ามสิ่งเนี่ยมันก็เป็นทุกเรียบร้อยแล้วอันไดนหนึ่งก็เป็นทุกเรียบร้อยเนาะทคนี้การฝึกฝึกแบบไหนละ่ะจะมาจัดการตร ง, ตรงนั้นตรงนั้นได้ก็5วันนี้แหละจะพาเข้าไปเห็นเป็นลําดับเป็นลําดับเนาะก็อยากจะบอกว่าเนี่ยคือการการเรียนรู้มันต้องมาตรงเนี้ยตรงๆเลยไม่อม้อมค้อม เราไม่อม้อมคอมไม่เอาสิ่งอื่นตรงๆเอาตรงนี้แหละเจาะประเด็นถ้ามันเจาะออนอกทางก็เฮ้ยนี่เราก็เรียกว่ากันเราใชใ้เรื่องทุกข์นี่แหละคัดเข้าทางเนาะมันบางทีไม่เกี่ยวกับเรื่องทุกเอาใหม่ปรับใหม่เฮ้ยมันออกทางซ้ายแล้วมันออกทางซ้ายแล้วเออปรับใหม่ให้มันตรงทางเอ้ยมันออกทางขวาแล้วให้เราปรับใหม่เนี่ยจะทําแบบเนี้เยเนาะถ้าเราทําแบบนี้ได้มันมันจะตรงทาง ตรงแล้วก็ไปเร็วอย่างที่สุดเนาะมันจะไม่อ้อมค้อมลองดูเนาะบางทีเราเรียนธรรมมาสามปีห้าปีถามว่าความรู้เยอะไหมที่เราเรียนมาเนาะมันบางทีมันมั น, ม, นมันก็เยอะเกินไปใช่หรือไม่ถามว่าแล้วประโยชน์แล้วหลักอะ่ะคืออะไรบางทียังไม่รู้เด็ดดี่ยซ้แล้วพี่เคยไปเห็นนะประมาณว่าเขาเป็นพระ ก็ไม่ได้ไปอยากจะว่าอะไรหรอกต่แต่สังเกตว่าสิ่งที่เขาสอนนะหรือแม้หลายๆที่ที่เขาสอนเขาเรียกว่าเราก็ฟังอยู่เมื่อไหร่จะเข้าเมื่อไหร่จะเข้าเมื่อไหร่จะจอบปร็นตรงนี้ทีเือไหร่จะเข้าแก่นเทศไปก็อ้อมอยู่กําลังเข้าแหละและ้วถอยออกเมื่อไหร่จะจอบปรนตรงนี้ก็ถอยออกมันเหมือนมันเหมือนแบบไอคนสอนก็ไม่รู้จะเข้าอย่างยังไงแบบนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปยังไง ไปแล้วจะเจออะไรก็เลยอ้อมไว้ไว้ก่อนเนาะอ้อมอยู่นั่นแหละกําลังจอเข้าไปก็ถอยออกมาอีกไม่ถึงสั ก, ส, กสักทีเนาะอยู่แบบเนี้เราก็เห็นไว้ทําไมมันก็ไม่ใช้ประสิ่งยากเท่าเท่าไหร่มันก็ไม่ใช่ประสิ่งยากที่พัาจะพาไปเห็นได้แต่ทําไมไม่เข้าทางสักทีบนอยู่นั่นแหละบนจนจบสรุปแล้วได้อะไรก็ไม่ก็ไม่รู้เนาะเนี่ยคือปัญหาเลย เนาะที่ก็วันนี้วันที่สองก็บอกเลยว่าวันนี้จวันเนี้ยถ้าตัวปกติแล้ววันนี้จะพาไปเจอทุกเนาะไปเจอทุกเอาแบบให้รู้จักทุกเลยว่าเป็นยังไงเนาะน่าจะช่วงบ่ายนี่แหละดูดูตารางแล้วดูช่วงเวลาวันแล้วแต่บอกเลยเนาะอย่าเมื่อพูดถึงทุกเราอย่าพึ่งไปปฏิเสธมันเนาะอย่าพึ่งไปกบเกิน อย่าไปหลบเลี่นหนีหน้ามันลองเจอมันก่อนมันมีอยู่แล้วหรืทุกข์หระใช่หรือไม่แต่เมื่อทุกข์มาดกแต่เมื่อมันเกิดความทุกข์มาดูครั้งเป็นยังไงเรากับอยากเจอมันไหมเนอะเรากับพยายามหลบเลี่นหนีหน้ามันเดินหนีมันเดินหนีมันมันก็ตามเรามาอยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงเบี่ยงไปทางซ้ายเบี่ยงไปทางขวาเพื่อจะให้หลีจากมันตรงนั้นนั่นแหละมันจึงไม่เข้าใจสักทีอืม มันจะไม่เข้าใจสักทีแต่ถ้าวันเดีวันหนึ่งเราได้เจอมันตรงๆเจอมาว่าทุกเป็นยังไงเอออาการที่มันเกิดมันเป็นยังไงเนี่ยเราจะได้รู้จากมันว่าเออเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นอาการมันหนักแบบนี้นี่หว่าโอ้อาการเป็นแบบนั้นเนี่ยคือการเจอมันตรงๆเมื่อเราเจอมันปั๊บเราจะเจอว่าโอ้มันมีสาเหตุนี่หว่าที่มาเป็นตรงนี้ได้เมื่อเจอสาเหตุมันก็เจอทางออกเนี่ย ถ้าเรารู้จักมันมันจะแบบนี้เลยเนาะเมื่อเจอสาเหตุก็เจอทางออกถ้ามันมาใหม่มันก็เป็นประสบการณ์แล้วครั้งแรกเราก็เจอแล้วครั้งสองก็มาใหม่ก็เป็นประสบการณ์ครั้งสครั้ง4ี่ยิ่งเป็นเรียยิ่งเป็นประสบการณ์เพิ่มเติมไปอีกปัญญามันก็จะปรากฏอยู่ตรงนี้แหละเราชอบพูดเนาะให้ให้มีปัญญาถามว่าปัญญาในศาสนาพุทธคืออะไรอะ่ะอ่านเยอะไหมรู้เยอะไหม ศึกษามาเยอะไหมไม่ใช่เนาะอันนั้นปัญญาทางโลกการอ่านการฟังการศึกษามาคือปัญญาทางโลกแต่ปัญญาทางธรรมีิแท้จริงแล้วรู้ไหมคืออะไรประสบการณ์ประสบการณ์ทุกอย่างที่เราเข้าไปเห็นไปเป็นก่อนรู้จักว่าเป็นแบบไหนไปเห็นกระบวนการที่มันเกิดรู้วิธีออกมาซ้ำแล้วซ้าเล่าซ้ำแล้วซ้าเล่าเป็นประสบการณ์จนช่ำชองอันนี้คือปัญญา มันอยู่ตรงนี้แหละมันไม่ใช่อ่านเยอะรู้เยอะม่ศึกษาบาลีเยอะมาแปลได้ไม่แต่เราเห็นอาการที่มันเกิดนั่นแหละเป็นยังไงทุกเป็นยังไงเข้าไปเป็นยังไงตอนหลงเป็นยังไงตอนกลับมาได้เป็นยังไงเนี่ยซ้ําแล้วซ้ำแล้าซ้ําแล้วซ้ําหลอดปัญญา ม, มันก็จะปรากฏตรงนี้เนาะอืม <c oughs> ตามจริงว่าจะพาไปเดินแต่มันก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพวกนี้ค่อยว่ากันก็ช่วงนี้เนาะก็เาเรียกว่าจะให้เราทบทวนสิ่งที่ผ้อาจารย์สอนให้เรารู้แล้วก็ขอให้รู้อีกเนาะบางทีรู้แค่นี้มันมันยังไม่พอหรอกบอกเลยมันยังไม่พอเห็นไม่กี่ครั้งมันยังไม่พอต้องอาศัยเห็นซ้าแล้วซ้าเล่าเห็นครั้งแล้วครั้งเล่าอยู่งั่นแหละจนกว่ามันจะ มันจะแจมจะแจ้งในตัวคององมันเองเนาะอยากให้เราใช้เวลาตรงนี้ในการปฏิปฏปฏบัติในช่วงเช้า ก, ก็ให้สังเกตเหมือนเดิมเนะาะาวละมันหลงออกไปเป็นยังไงเนาะมันหลงออกไปกับอาการต่างๆเป็นยังไงมันอยู่กับฐานเป็นยังไงแล้วก็อะไรนะ3ามวือละเคยลืมแล้ว อแรกหลงออกออกไปเป็นยังไงใช่หรือไม่ที่มันออกลงไปเป็นยังไงสองเมื่อมันกลับมาได้เป็นยังไงสามเมื่อใจมันอยู่กับฐานเป็นยังไงเนี่ยให้เห็นสามเาเนียอย่าให้เห็นอันใดอย่าอย่าพยายามเอาแหน่งหนึ่งเนาะแต่ขอเห็นสามเวลาเนี้ยตรงตรงและเมื่อนันแหละเราจะเริ่มเข้าใจว่าโอ้เป็นแบบนี้เองเนาะอ่ะเ น, นะจะเดินไหมหรือว่าจะนั่งยกมือ เดี๋ยวเรานั่งยกมือดีกว่าเนาะมาพร้อมแล้วพร้อมแล้วเริ่ม <c oughs> ลองปรับกระบวนการนะใครยังมุ่งหวังอยากได้ความสงบอยู่ เขาไปถึงไหนกันแล้วเนาะเขาไม่ใช่ปฏิบัติได้ความสงบแล้วเรามาเป็นผู้สังเกตมันโตข้ามกันเลยนะมันโงข้ามกันชัดเจนเลยการสังเกตเราตั้งใจทำอยู่นี่เราก็ดูอาการที่มันเกิดไปดูสิ่งต่างๆที่มันปรากฏให้มันที่มันสแสดงตัวนี่การสังเกตตรงๆ ไม่ใช่พยายามจะได้ความสงบให้มันสงบไม่ใช่ลองสังเกตดูนะความคิดเมื่อกี้เรื่องกายไปแล้วลองสังเกตดูเราทำสิ่งนี้อยู่แต่บางสิ่งบางอย่างก็คอยแวบคอยแวบใช่หรือไม่เยอะไหม เผื่อคิดที่มันแวบที่มันแบบแบบเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ออกออกไปออกไปไม่พอมีอารมณ์เข้าแทกด้วยโลกของใจมีอยู่สามอย่างโลภโกรธหลงเป็นโลกของใจเนาะมันก็เข้าแทกออกไปเป็นนนเป็นนี้มากมายเต็มไปหมดเลยใช่หรือไม่แต่มันออกไปมันออกไปตลอดเวลาไหมเดี๋ยวมันก็กลับมา แม้แต่ความคิดก็อยู่ภายใต้กฎปฏิรัตมันก็ไม่เที่ยงให้ไม่ให้มันเกิดเลยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีปรากฏขึ้นมาออกไปเป็นเรื่องเป็นเล้าสักพักมันก็กลับมาใหม่ยุติลงเนอะมันก็ไม่เที่ยงของมันอยู่แล้วมันก็เป็นทุกข์ของมัน ถ้าเห็นความแตกต่างนะตอนใจมันตอนใจมันหลงออกไปเป็นยังไงตอนกลับมาได้เป็นยังไงหรือตอนมันอยู่กับฐานเป็นยังไงถ้าเราจับ3ามบารานี้ได้มันจะมันจะพาไปเห็นไปเห็นเหตุไปรู้วิธีออกด้วย ไปเห็นว่าทำไมมันถึงเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นรู้วิธีออกอีกและจะออกจากตรงนั้นได้ยังไงเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาเดินจงกลมเนาะเปลี่ยนระยาบทมาเป็นเดินจงกลมสักครู่หนึ่ง พร้อมแล้วเดิเนให้เราปรับกระบวนการเนาะลองดูว่าเราชัดตรงไหนบางทีบางคนเ อ, อนั่งยกมือมันชัดดี แต่บางคนเออเดินชงโกมันชัดกว่าให้ปรับตัวเองการเดินก็เดินสบายๆนี่แหละไม่ต้องไปกำหนดอะไรเดินให้มันพอดีพอดีไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไป มันจะมันจะชาตตอนที่ก้าวตอนที่กระทบพื้นหรือตอนยกก็เอาตรงนั้นเราจะไปโจทจงว่าต้องแบบนั้นแบบนี้เรารู้สึกยังไงว่ามันชาตตรงไหนเอาตรงนั้นน่ะเอาที่เราเอาที่เรารู้สึกได้บางคนก็ชาตตอนกําลังก้าวบางคนก็ชาตตอนที่มันกระทบพื้น แค่มันรู้สึกกับภาวันนึงก็พอ สังเกตดูนะพอให้นั่งโอ้ยนั่งนั่งก็อยากเดินพอให้เดินเดินนันัก็อยากนั่งใช่หรือไม่เริ่มมันเริ่มล้ามันเริ่มหน่อยก็อยากนั่งพอให้นั่งไปสักพักหนึ่งพอเมื่ออีกละก็อยากเดินอีก สังเกตดูเราก็เดินอยู่นี่เราเดินเราตั้งใจเดินอยู่นี่แต่ใจที่มันออกไปมันมีอาการทางกายมันก็ออกไปเป็นด้วยหรือความคิดที่มันเข้ามามันก็ไปเป็นด้วยเป็นยังไงให้เราเห็นตรงนั้นเราเดินอยู่นี่พอเรามีสติมีความรู้สึกตัว เป็นขณะขนาอยู่เนะีเห็นไหมว่าเราเดินมันเป็นขนาดขณะที่มันปรากฏมันก็มีสติมีความรู้สึกตัวอยู่ด้วยใช่หรือไม่แค่เป็นขณะรู้แล้วก็จบนะรู้แล้วก็จบพอเรามีสติมีความรู้สึกตัวเป็นขณะขณะเออมันก็จบลงจริงเนาะที่มันปรุงแต่งอยูทออ่ที่มันหลงออกไปที่มันไหลออกไป บางทีก็สั้นลงเนาะเออบางทีก็ไม่ค่อยเยื่อดยาวบางทีจุกจุกบางทีบางทีก็ไมก็ดับไปเลยอืม้เห็นถ้าเห็นตรงนั้นแต่บางขนาดมีไม้ที่มันแบบมีสติตลอดเวลารู้สึกตัวรู้แล้วก็จบรู้แล้วก็จบ รู้เป็นขนาขณะแต่ไม่แตรู้แต่แม้จะรู้ขนาดนั้นเออมันก็ดูไมานานเนาะแป๊บป๊มันก็หลุดไปแล้วเนี่ยคือตรงนี้ให้เราได้เห็นอาการแบบนั้นมันก็วนไปใหม่มันก็หลุดออกไปใหม่เดี๋ยวมันก็กลับมาได้ใหม่เดี๋ยวมันก็มีสติอยู่กับฐานใหม่เนี่ยเห็นอยู่แบบเนี้ยไม่ใช่ฉันจะจอจงจออะไรอัานาหนึ่ง ไม่ใช่ฉันจะจอ่อจงฉันจะเอาความรู้สึกตัวเป็นขนาดขนาดไม่ใช่แม้แต่สายหลวงปู่เทียนเนาะที่เจอมาชอบไปเตดคำกูบาอาจารย์ให้มีให้รู้สึกตัวหยุดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยปัญหาเลยให้รู้สึกตัวอยู่ยตลอดเวล า, า, ลวลวลาแล้วทำยังไงละ่ะสุดท้ายก็พยายามสร้างคิดว่า การสร้างความรู้สึกตัวตลอดเวลานั้นคือทางออกไม่ใช่เลยการที่เราพยายามสร้างาแสดงว่าเราปฏิเสธปฏิเสธธรรมชาติเรียบร้อยแล้วพยายามกดข่มพยายามบิดเบือนเนาะมันก็ไม่ต่างจากสมถะ แต่ถ้าเราเห็นตรงๆสามวาระเนี่ยมันหลงเป็นยังไงกลับมาได้เป็นยังไงมันมีฐานมีสติอยู่กับฐานเป็นยังไงอันนี้อันนี้คือวิปัสสนาดูและสังเกตภาษาอังกฤษแปลง่ายแปลงง่ายนะตรงตัวมาก What and observe? ดูและสังเกตเนี่ยตรงๆเลย จน ท, ท่านกลับคนังทีได้เป็นไงบ้างนะผ่านไปหนึ่งวันหนึ่งคืน เป็นหนึ่งวันหนึ่งคืนเมื่อคืนนอนหลับอคนฝึกเจริญสติเขาหลับง่ายนะเขาไม่หลับยากเพราะว่าหลับง่ายเพราะว่าเราจัดระเบียบของใจอยู่เสมอเมื่อดดก็ตามที่ใจของเรามีฐานที่ตั้งใจมีวิหารธรรม เมื่อใจรู้จักที่ทางที่ตัวเองจะอยู่เมื่อใจมีวิหารธระมรู้จักที่ทางที่ตัวเองจะอยู่มันก็จะทำให้ใจไม่ฟุ้งซ่านหรือแม้จะฟุ้งออกไปเพราะมันเป็นกฎธรรมชาติกฎพระไตรลักษณ์ที่กายกับใจมันไม่อาจจะทนอยู่ด้วยกันได้ตลอดเวลาเข้าใจไหม เพรนั้นไข่ก็ตามที่พยายามบางังคับให้ใจอยู่กับกายตลอดเวลาด้วยการตั้งกรรมาฐานแล้วพยายามให้ใจอยู่กับฐานแล้วก็หงุดหงิดทุกครั้งที่ใจออกออกจากฐานไปอันนั้นแปลว่าเรากําลังทําผิดเราเพียงแค่เอาเขามาไว้ได้วยกันบางครั้งบางเวลาแต่เราต้องเข้าใจกฎธรรมดา ที่กายกับใจไม่อาจจะอยู่ด้วยกันได้ตลอดมันก็จะแยกออกมันก็จะแยกออกอย่างนั้นแหละพอสังเกตดูไหมตลอดวันตลอดวันหนึ่งวันที่ผ่านมาใช่ไหมขนาดนอนหลับไปมันยังวิ่งออกไปนู่นสร้างเรื่องสร้างเราอยู่ในโลกของความฝันเลยใช่หรือเปล่าเพราะฉนั้นกายกับใจมันมันก็เดี๋ยววิ่งเข้าวิ่งออกอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมันถ้าใครยังขืน ที่อย่าไปฝืนล็อกไว้ล็อกไว้ให้ได้เนี่ยนั่นแห ล, ละคุณกำลังทำสิ่งที่มันฝืนธรรมชาติแล้วคนก็มาบอกว่ามันยากมากเลยปฏิบัติยากดียทำผิดอ่ะก็ทำผิดอ่ะมันก็ยากเลยแทนที่คุณจะเรียนรู้ก็มันตามธรรมชาติที่มันเป็นคุณกลับพยายามทำให้มันเป็นอย่างที่ใจคุณต้องการ ว่าอนัตตามันบอกอยู่แล้วว่าบังคับบัญชาไม่ได้ตามความปัฏฐานไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราท่านก็ลองไปฝืนความเป็นอนัตตาด้วยการมีอัตตาเข้าใจไหมไปฝืนความมีความไปฝืนความเป็นอนัตตาด้วยความมีอัตตาตัวตนของตัวเองเข้าไปบีบบังคับให้ได้ดังใจเสร็จแล้วก็มาร้องบอกว่าไม่ไล่หลังใจ มันลองก็ตองปฏิบัติไม่ได้ดังใจเลยปฏิบัติไม่ได้ดังใจเลยฮ่าฮ่าก็พูะเจ้าต้องการให้เราเห็นความไม่ได้ดังใจนั่นแหละแล้วอยู่กับมันได้ไหมนะ่ะในความไม่ได้ดังใจเพราะไม่มีอะไรที่เธอจะได้ดังใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราเรา จะนอนเราจะอะไรก็ตามทําไมอาจารย์ถึงบอกว่าผู้ปฏิบัติจเจะดินสติเนี่ยยังไงยังไงก็หลับง่ายเนี่ยเพราะว่าขอใจมันไม่ฟุง้งใจมันไม่ผุ่านจนเกินไปมันรู้ที่อยู่ของมันอออกไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็กลับมาออกไปก็ไม่เป็นแล้วกลับมาเพราะเรานอนดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออก นอนกระดิกนิ้วไปมาสบายสบายเราจะเห็นอาการที่ใจมันอยู่เป็นที่เป็นทางแล้วมันจะหลับง่ายที่เหนือกว่านั้นนะทำไปทำมาเห็นตัวเองหลับนะเห็นกายหลับฝึกไปฝึกมาก่อนนอนเนี่ยดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกขยับนิ้วกระดิกนิ้วเนี่ยขยับมือไปมาเบาๆเนี่ย เอาไปเอามาจะเห็นตัวเอง <_ C> เห็น <_ C> เห็นกายมันหลับเคยเห็นกายหลับไหมฮะหรือว่าหลับตอนไหนไม่รู้เวลากลายมันหลับอะนะแล้วเราจะเห็นมันอย่าเข้าใจที่บอกว่า อธิเสสตีจุดวเปธวิญญาณโนนิระทั้งวัคลิงคลังเนี่ยเมื่อกายนี้ทอดลงบนพื้นดินเหมือนด่างท่อนไม้ท่อนฟืนหาประโยชน์ไม่ได้เนี่ยคุณจะเห็นกายที่มันแข็งทื่อแบบมันหลับสนุกตรงนั้นน่ะคําเรียกว่าซ้อมตายได้ด้วยเพราะมันจะมองเห็นว่า ในขณะที่เราฝึกเราเห็นกายมันรับเนี่ยมันคือการจําลองเลยมันกำจันมันกำลังจําลองเหตุการณ์การตายให้เราได้อยู่เพราะกายเนี่ยมันจะดับก่อนเข้าใจไหมกายเนี่ยมันจะดับมันจะตายมันจะนิ่งก่อ น, นจะแตกสลายก่อนจิตนั้นยังดําเนินอยู่ในช่วงต่อจากนั้นเนี่ย เพราะฉะนั้นในตรงจุดนี้มันถึงไปถึงต้องฝึกพระพุทธศาสนาไม่ใช่คำสอนเรื่องขมความเชื่อนะแต่เป็นเครื่องมือในการเดินทางได้จริงๆเป็นเครื่องมือในการเดียวพาเราออกจากทุกข์อันดับแรกเลยและถ้าฝึกดีๆเนี่ยนะมันสามารถที่จะเป็นเครื่องมือในการเดินทางที่ดีได้ เพราะฉะนั้นเวลาเราเราจะนอนก็ให้ใช้เป็นวิธีการฝึกด้วยในช่วงเวลาสำคัญตรงนั้นส่วนเวลากิ น, น่ะสำคัญไหมเวลากินเวลารับประทานสำคัญในพระวินัยของพระเนี่ยสิกขาบทอันเกี่ยวเนื่องกับการฉันอาหารนี่ เยอะมากเยอะจริงๆอาจารย์ว่ามันเยอะกว่าทุกทุกเรื่องเลยอะเกี่ยวกับเรื่องฉันเนี่ยเรื่องกินเรื่องฉันเนี่ยนะตั้งแต่ต้องฉันแบบไหนต้องฉันยังไงต้องมีลมัรยาในการฉันยังไงโอ้โหพอชนีสังยุทธ์นี่ พกนี้วักเดียวนี่ยเพียบเราต้องไม่กินคาข้าวที่ใหญ่เกินไปไม่กัดคาข้าวไม่เคี้ยวจับจไม่ดูดจุบ๊บจุนะสุรุสุรุี่ยอนกอาจารย์อาจารย์ฟังภาษาบาลีนี่ยสุรุสุเนี่ยอะไรวะเนสุรุอ้เวลามนสดน้าแกงเนี่ยเนสุรุสุ ไม่จับจับอะภาษาบาลีแล้วฟังไปมันก็แั่ภาษาไทยนหละเนื้อสลือๆนะนแไปว่าไม่ไงไม่ทำให้เสียงเกิดซุดๆนะไม่สดน้ำแกงดัางซุดๆนอไม่เคี้ยวจับจับนะไม่กัดคำข้าวไม่ไม่สะบัดมือเวลากินข้าวแล้วไม่สะบัดมือนะไม่เอามือที่เปื่อนไปจับแก้วน้าไม่ ไม่เอาอะไรนะไม่เอาข้าวไปโปะทับกับข้าวไม่เอาข้าวไปโปะทับกับข้าวไว้เพราะอยากได้กับข้าวเพิ่มจริงคือท่านบอกว่าไม่เอาข้าวไปทับไปทับข้าวกับข้าวเนี่ยท่านพูดแค่นี้แต่ว่ามันมีที่มาว่ามันเคยมีไงพระอยากได้กับข้าวเพิ่มก็ข้าวไปโปะทับกับข้าวไว้ อาโยมอ้าวยังไม่มีกับข้าวเลวอยอาโยมก็ติม ก, กับข้าวเพิ่มมาโปะไว้อีกอาโยมไม่มีไข่หรือครับต่ใส่เพิ่มอีกอัออนนี้เรื่องจริงในสมัยกรมพูตการามีเนี่ยแล้วคนอินเดียเวลาเราก็บอกเอ๊ะกินข้าวไปมันสะบัดมือไปมันเลอะเทอะมันไปตามเพราะว่าในจริงมันมีจริงไหยวะพอไปเห็นคนอินเดียกินข้าวเฮ้ยมันกินมือเหมือนเราเ่ยแหละแต่กินคนละอย่างกันนะ ของเราเวลากินมือเราทำไงเราทำคำข้าวให้แน่นแน่นก่อนใช่ไหมแล้วก็ใช้หัวแม่มือดันข้าวใส่ปากใช่หรือไม่อินเดียนโนมันแบบบีบๆกำๆกำๆแล้วก็หวานเข้าปากเลยอย่างนี้เลยอ้ยะ พี่หน้าบอกพระเจ้าบอกห้ามเลียปาก ห, ห้ามเลียปากโอ้มันกินอย่างนี้มันเลยจะเลอะไงเลอะแล้วก็ข้าวมันก็กระจายโอ้มันกินเลอะเทอะจริงมักินข้าวมันไม่ได้กินด้วยมือเหมือนเรานี่แหละแต่ว่ามันแบบดูเลอะเทอะยังไงไม่รู้เนาะใช่ไหมใครใครไปอินเดียใครเห็นไหมเออเขากินข้าวแบบด้วยมือแบบเรานี่แหละแต่ว่ามันมันดูเลอะเทอะยังไงไม่รู้เนาะเออมันแบบ เนี่ยแบบคือแบบของเรานี่จะปั้นเป็นก้อนๆกันแล้วก็นิ้วดันนี่นี่เรากินแบบพระนะเราเรียนแบบพระพระพุทธเจ้าสอนพระให้กินแบบนี้เพราะคนในวังเขากินอย่างนี้อ่พาพันวินัยเรื่องการกินการอยู่ของพระนี่ออกมาจากวังนะจ๊ะ วิีการกินอาหารของพระนี่ออกมาจากวังเสร็จแล้วพระเดินทางมาเมืองไทยก็เราก็มาสอนให้คนไทย อ, ทาอาจารย์ก็ชั่อว่าเมื่อก่อนคนไทยก็คงเหมือนอินเดียแหละแต่พอมีพุทธศาสนาเข้ามาพระเอามาสอนให้สอนให้กินจับข้าวยังไงในพระวินัยเราจะทําคําข้าวให้กลมกลมอมทําคําข้าวกลมกลอมก็ทําให้มันแน่นดีแล้วก็ ดันโดยได้ไดดที่อาจารย์พูดเรื่องนี้ให้ฟังก็เพราะว่าคนเราจะขาดสติเวลาทานอาหารง่ายที่สุดเวลาทานอาหารเนี่ยเป็นเวลาแห่งการขาดสติง่ายที่สุดแทนถ้าเราเคยดูหนังมุกโบราณโบราณมุกเครื่องรางของขังเครื่องเสกของเข้ากันเนี่ยเขาจะเสกตอนก็กินข้าว ออทําไมคนบนราณเขาต้องบอกต้องกลัวเวลากินข้าวเนี่ยเขต้องระมัดระวังกลัวจะถูกของกลัวจะถูกเศษของใส่เพราะว่าในช่วงนั้นจะเป็นช่วงระยะเวลาแห่งการขาดสติได้ง่ายนะขาดสติได้ง่ายเพราะว่าอาหารเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอน มันเป็นรูปเสียงกลิ่นรสอ่ะคุณเข้าใจไหมวัตถุกรรมวัตถุที่ทำให้ใจไหลไปสู่กรรมมาคลเนี่ยมันมันครบอยู่ในนั้นหมดเลยนะรูปเสียงกลิ่นรสผลพระแล้วก็จมกับธรรมารมณ์ mm hmm. เกี่ยวกับอาหารนั้น mm hmm. จริงหัหยใช่ไหม ม, มันจะมาแบบเต็มๆเพราะมันเป็นเป็นการที่ทำให้เราได้เห็นชัดขึ้น ลองตั้งใจเวลาตักอาหารตั้งใจตักระหว่างที่เราเดินไปก็ตั้งใจเดินเรารู้ทันความคิดที่เกิดหยิบจับภาชนะก็ตั้งใจหยิบจับตักอาหารก็ตั้งใจตักตามองไปมือตักให้รรู้ทันใจมันคิดอะไรแล้วคุณจะเห็นแบบอะไรเนี่ยจะ ก, กินข้าวมือนี้มึงวางแผนขนาดนี้เลยอะ่ะ ซับซ้อนมากจะเอาอ น, นี่ก่อนเอา น, นี้เยอะอา น, นี้น้อยเฮ้ยอันนี้ลืมตักก่ออีกหน่อยเพื่อนวันนี้หน่อยก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกเพื่อนคงไม่ว่ากันจริงจริงนะให้ดูมันแล้วคุณจะแบบขำกับมันอะ่ะคือที่ให้ดูเนี่ยเพื่อให้เห็นว่า เนี่ยกลไกการทํางานของขันห้าที่มันทํางานน่ะคุณเข้าใจไหมสัญญาขันก็มาทํางานสังขารและขันก็มาทํางานเนี่ยมันสักแต่ว่าทํางานจริงๆคือมันมันมันมันทำไปทำไปด้วยความเคยชินของมันอ่ะแต่พอเราไม่รู้ทันเราก็วิ่งไปกับมันโดยไม่รู้ตัวอีกนะมีโยมหลายคน ยมหลายคนที่เขาคอสพระอาจารย์และชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนจริงๆเมื่อมาทานข้าวนะเมื่อทั่งทานข้าวหรือว่าไปตักอาหารแบบที่อาจารย์แนะนำาอกเขาเห็นเลยว่าปฏิบัติามาแบบสิบกว่าปีเกือบยี่สิบปีไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้เลยอกที่มันไม่เห็นพ่อะอะไรรู้ไหมพ่อะอะไรครับเพราะคุณมัวแต่ไปมุ่งเรื่องความสงบ พยายามแนบจะเคลื่อนเหมือนกันแนบการเคลื่อนซะเอาใจแนบกับการเคลื่อนเข้าใจไหมแล้วยงบริกรรมสำทับลงไปอีกแต่พอคุณมาเปิดมาเคลื่อนแบบฟรีๆสบายๆแค่ตั้งใจทํำทุบตั้งใจทํำทุบทึบุบแค่เนี้ยให้โดยเป็นธรรมชาติมันจะเห็นจิตจิตที่มันเคลื่อนออกสู่กระบวนการคิดเขาบอกโอ้ไม่เคยเห็นเลย เอาไม่แน่เชื่อเลยจะกินข้าวแต่ละคาบังแผนขนาดนี้อาจารย์เออแล้วทําไมเมื่อวันยมไม่รู้หนึ่งคุณมุ่งไปเรื่องความสงบสองเวลาคุณทานข้าวคุณไม่ได้สังเกตมันคนมัวแต่อยู่กับความคิดอยู่กับการพูดคุยบางคนกินข้าวไปคุยไปไม่พอมือเขี่ยไปเรื่อยทําเป็นไก่ไว้ได้กุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กุ๊กกุ๊ ชวนกันอยู่นั่นแหละเห็นไหมเขนไก่ไหมออตีนก็เคลียร์ไปปากก็เกลี้ยกล่อมกันไปจิกขึ้นมาได้ก็ตีนก็เคลียร์ไปนานนั่นน่ะแล้มันซ่อมอีกต่างหากนะเหมือนเลยเนี่ย <laughs> ตีนไก่เนี่ยพ อ, อย่าทำนะตักอาหารตั้งใจตักตักใส่ปากแล้ววางช้อนลงแล้วตั้งใจเคี๊ยว ให้สังเกตดูว่ารสชาติมันกระทบลิ้นเราแล้วมันเกิดความคิดอะไรขึ้นอาหารในแต่ละคำทำให้คุณได้โลดแล่นไปในสภาวะธรรมเพียบมีโยมคนหนึ่งแกนั่งทานข้าวอาจารย์นั่งทานผ่ า, ผาทานข้าวนั่งล้อมวงเป็นวงใหญ่อาจารย์ก็นั่งฉันในบาทอาจารย์นั่ง อยู่ตรงข้ามาแขร้องไห้มาเป็นลายร้องไห้สองอยากคร้องไห้เพราะสองเหตุผลมีอะไรอ่ะอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งคือโยมดีใจเกิดมาโยมยังไม่เคยเจอแบบนี้เลยโยมเห็นความคิดโยมเห็นกระบวนการเห็นกายมันเคี้ยว พอเียวไปเขียวมาโยมทุกอย่างมันหายหมดเลยแต่อัเนี้ยกึกกึกกักกึกกึกอยู่มีเนี้ยกึกกึกกึกอย่างเงี้ยค่ะตัวเนี้ยเคลื่อนกึกกึกกึกแล้วก็มีอีตัวหนึ่งอยู่ข้างในดิ้นสะบัดไปสะบัดมาเาเห็นอันนี้ขยับกึกกกกกอ้ดิ้นไปดินมาเกี่ยวไปเกี่ยวมาโยมเกิดมายังไม่เคยเห็นแบบนี้เลย เออดีละดีละที่เห็นคนสังเกตไหมว่าในช่วงขณะแห่งการที่มันสัมผัสรู้ตรงเนี้ยว่ามีการขยับของตรงเนี้ยว่ามีการกระดินงไปดินมาของลิน้คนคุณสังเกตว่าในช่วงขณะนั้นเนะี่ยมันไม่มีความสำคัญหมายว่าเป็นคุณเลยอืมใช่ค่ะมันไม่มีความสำคัญหมายว่าเป็นโยมเลยมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้ ก, รกึกกกกกกก มันไม่มีความเป็นเราเป็นของเราเป็นเพียงอะไรบางอย่างที่กำลังเคลื่อนไหวรับรู้กับการเคลื่อนไหวแค่นั้นเองเออแม้ชั่วขณะแงความรู้สึกตรงนั้นที่มันเกิดขึ้นมันก็มีค่ามีความหมายมากเมื่อจิตได้เข้าถึงความไม่มีเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนใดๆของเราเป็นเพียง สภาวะอะไรบางอย่างที่ปรากฏขึ้นให้เห็นแล้วมีผู้รู้คือภาวะผู้รู้เข้าไปรู้กับสภาวะที่ปรากฏอันนี้สำคัญมากอันที่หนึ่งดีมากนั่นแหละโยมน้ำตาไหลพึมใจมากเลยปิติมันขึ้นสุขมันขึ้นไม่เคยเห็นแบบนี้เด็ๆดอันที่สองอะ่ะอันที่สองที่ร้องไห้เก็เพราะว่าโยมอะความสุขของโยมคือได้กินอาหารอร่อย แต่วันนี้โยมนั่งทานอาหารไปนั่งกินอาหารพระอาจารยนะ์เอาความอร่อยไปจากโยมโยมไม่รู้สึกอร่อยมันไม่มีความอร่อยแต่รสมีนะคะเขาบอกความรสเผ็ดปุ๊บก็รับรู้รสเค็มปุ๊บก็รู้เปรี้ยวรู้รสใดมารู้แต่มันไม่มีคำว่าอร่อย มันเกิดอะไรขึ้นอ๋อความอร่อยมันเป็นการเปรียบเทียบความอร่อยเป็นการปรุงแต่งความคิดขึ้นมาอร่อยไม่อร่อยมีกว่ามีได้กว่ามีเหนือกว่ามีเสมอคุ้นๆไหมคำนี้มีสูงกว่ามีเสมอมีต่ำกว่าคุ้นๆไหมอยู่ใน อยู่ในสังโยชน์ชื่อว่ามานะเราดีกว่าเราเสมอเราต่ำกว่าเขาดีกว่าเขาเสมอเราเขาต่ำกว่าเราเราก็ง ง, ง, งตอนแรกเอ๊ไอคำว่าเราต่ำกว่าเนี่ยเอาไปว่าอ่อนน้อมทาตนนะเราเสมอเนี่ยก็โอเคนะเร า, าเขาดีกว่าเราเรายกเขานะที่ไหนไดม้มันคือความคิด และความคิดแบบเปรียบเทียบเนี่ยมันมาไวมากมันเร็วมากกับการทำงานตรงนี้เจ๊งเห็นหน้าคนปั๊บมันยังมีเลยปับ๊บสวยไม่สวยคาว่าสวยไม่สวยมันเทียบกับอะไรอะ่ะมันมีอะไรบางอย่างอูไอ้สมมติบัญญัติที่เป็นตัวเปรียบเทียบ จะกินรถนี้มันมีรถอื่นเปรียบเทียบมันมีรดอื่นเปรียบเทียบมันมีไก่อรอาหารอันนี้แหละเมื่อสามเดินเที่แล้วไปกินอีกร้านหนึ่งเปรียบเทียบทันทีมั น, มาา น, น, นไวมากเลยปุ๊ บ, บ, บ, บ, บเพราะเกิดกระบวนการเปรียบเทียบมันก็สร้างกระบวนการต่อเป็นขั้นกว่าขั้นน้อยกว่าขั้นเหนือกว่าขั้นต่ำกว่าเกิดความยินดียินร้ายอู้มากันเลยทีนี้ ดีแล้วที่เห็นอย่างนั้นเพราะลิ้นกับรถเนี่ยลิ้นกับรถเนี่ยมันเป็นปรมัตธรรมรถอย่างไรกระทบลิ้นอย่างไรตรงๆ ร, ร, รับรู้แต่ถ้ามันรวมว่าอร่อยหรือไม่อร่อยแปลว่ามันปรุงแต่งมันไม่ใช่ปรมัตธรรมแต่มันเป็นสังขารเป็นการปรุงแต่งนะเป็นสมมุติ เ, เพราะฉะนั้นการที่คุณมองเห็นว่ามันมีรสแต่มันไม่มีความอร่อยอันนั้นและถูกที่สุดอร่อยหรือไม่อร่อยมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถทานอาหารได้อย่างไรก็ได้แต่มันเป็นอาหารรสปัจจุบันนั้น เข้าใจไหมคือปัจจุบันเป็นรถอย่างไรก็อย่างนั้นแต่คนไม่ใช่ไงเราติดรถอดีตกันทำไมไปอินเดียจะต้องเตรียมอาหารไทยไปแล้วก็บอกว่ามันไม่ถูกปากอาหารอินเดียไม่ถูกปากจริงเหรอเคยเห็นเข้าปากทุกทีแหละแต่มันไม่ถูกใจ เพราะเรามีสัญญาความจำได้หมายรู้เรื่องรสชาติที่เราคุ้นเคยที่เราคุ้นชินใช่ไหม เ, เรามีคุ้นชินแบบไหนแล้วก็ติดแบบนั้นนะอยา่างคนดีสานเน่ไปไหนไปไหนมันก็ต้องมีปรราร้าใช่ไหมต้องมีปรราร้า ไม่มีอะไรมากหรอกปลาล้าบองถ้วยเดียวนะี่กินได้ทั้งครอบครัวหาผักมาได้กะละมังหนึ่งถาดหนึ่งนีง่ข้าวเหนียวปั้นกันจ้ำกันเเรียบร้อยแล้วอยู่ได้เข้าใจไหมพิซซ่าถาดใหญ่วางลงตรงกลางในแตงคือเลย <c oughs> อี๋เมนเนย <c oughs> มูนเนนะเมนเนยข้าวเนยข้าว แต่พอประแดกนี่จ้ำส่กันจุจบชับจบชับคือมันมีความเคยชินอะกันนะไอ้คนขับรถเก่าอาจารย์นะยมันบอกเลยนะอาจารย์บอกให้ขี้เกียจจอดทานข้าวเดี๋ยวซื้อพิซซ่าขึ้นมาสักถาดหนึ่ ง, ไ ป, ง, ง ไ, าาไปเรื่อยๆถึงเวลาเพนจะได้ชันเพงอาจารย์ก็กินไปเรือให้มันสามชิ้นเอา โอ้อาจารย์ครับผมพูดตามตรงเลยนะครับอาจารย์ถ้าผมตายไปเนี่ยอย่าได้อย่าได้ทำบุญทำทานด้วยสิ่งนี้หาผมเลยนะครับตายก็จะทานหาผมด้วยครับว่าฉนั่นมันกินไม่เป็นมันเหม็นเนยวพาพอกินปลาแดกมันบอกนัว ออกฝรั่งเศสเลยว่าเพราะทุกคนมันจะมีสัญญาเก่าที่พร้อมจะเข้ามาทำงานเข้าใจมเพราะมันเกิดการเปรียบเทียบเสมอเพราะวันนี้ลองไปทำาอ่านพระอาจารย์ว่านะเดินไปก็ตั้งใจเดินหยิบจับก็ตั้งใจหยิบจับ อาหารก็ตั้งใจตักแล้วดูว่าใจมันคิดอะไรแม้ต อ, ตอนเราจะกทานข้าวอะไรก็ตามแต่ตละคำแต่ละคำก็ใจ่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าการพิจารณาการพิจารณาอที่เราพิจารณาแบบเราต่อท้องเราสวดไปเนี่ยเป็นการเตือนสติเราอย่างหนึ่งก่อนว่าเราทำทานอาหารเพื่ออะไรทานประมาณไหนแต่ อาร น, นั้นคือการพิจารณาแบบใช้ใช้การเตือนตัวเองให้เข้าใจตัวเองก่อนจากนั้นเนี่ยการพิจารณาในลักษณะการสังเกตกับการทํางานของการกระทบทางอายตนะการทํางานของกายของใจที่มันเกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าการสังเกตอย่างละเอียดกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองขอให้เป็นการปฏิบัติแบบนี้โอเคไหมมาเริ่มทันข่าว